Ik kan niet de borg Wanneer het ongavontie zit, maak je een het jekt, je hebt het jekt. Wanneer je het jekt, je hebt het 3 ของเล่มที่ 20 naar hun teltam, maidje, maidje, raaphondie. Goed, dan was jom 17 naar, 17 bij de Jom 17 maar, 17 maar, 17 maar, 17 maar, 17 maar, 17 maar, 17 maar, maar, 17 maar, 17 de 17 maar, 17 maar, 17 โยมถ้าระบอกว่าใช่เจ้าค่ะยังตอบว่าถ้าอย่างนั้นที่นั้นต้องมีที่สันนิสงส์ถึงแม้ว่าโยม คือว่าให้โยมเช่าที่ 2 ถามว่านามีกี่ไร่เค้าก็ตอบว่า แกก็ หลังจากนั้น 600 บาทที่ได้เมาพระเจ้าอาวาสบอกว่า มาเที่ยวนี้ปรากฏว่าโยมชาว 2-3 เดือนช่วงกลางปี แต่ว่าของฉันเขียวเยอะอุ่มไม่ต้องหวั่นใหม่ไม่ต้อง เป็นเมืองด่านเก่าสมัยก่อนมีการลบราข้าวแฝนกัน ก็เป็นว่ากัน ว่าอยู่ๆอาตมาก็เดานั้นทุกปีนายแกไม่เสียชาวบ้านเสีย <c oughs> คิดว่าการอยู่ในกรุงเทพฯมีความคึกคัก 3 ปีมี 3 ปี แล้วคุณจะต้องนอนโรงพยาบาล 2 ปีหลังจากนั้นแล้ว 20 แล้วให้ออกจากวัดจึงจะได้ดีถ้าไม่ออกจาก 20 แลก็ ก่อนจะป่วยก็ฟังนิมิต 3 ปีคุณจะป่วยหนักนั่นมันหมาย 2 วัดพร้อม 2 เวลาไปตรวจง่าย พอบท 2 หลังเสร็จพร้อมกันฝั่งนิมิตเดือนเดียวกันเมื่อ เห็นว่าป่ามีความสุขก็อยากจะอยู่ป่าตามเดิมคิดว่าการออกจากวัดเข้าป่าตามเดิมจะมีความสุขมากในการที่ คนมีสภาพไม่ค่อยจะแน่นอนท่านนี่ตรงไปตรง ภาวนานานมาแล้วเวลานั้นก็มีเจ้าคุณภาวนาภิรามธีระเป็นเจ้าสํานักได้เอาไปจากวัดในวัดในจังหวัดไปตั้ง <c oughs> ทางนี้เพราะอะไรเพราะที่อยู่แคบๆมันอยู่จํากัดทําความสะอาดก็ง่ายไม่ต้องวางใครใช้กวาด 2 3, ให้แบบเฉพาะโดยเฉพาะของท่านที่เค้า เราต้องการ்จะทำต่อ แต่ for the godsrist yet we need to go back oof. your head was in the back of your head. s exercised by two to three years.. but deciding to do something good in order to do the plats that they come to you. because you are having to be being immediate self-care and child. the Tools for Pink himself การจริงการดูเนี่ยบางทีก็ค่อยแบมือดูบ้างค่อยดูหน้าบ้างก็ดูทรงเดชไปเมื่อแท้จริงๆใช้กําลังใจกําลังใจดูนี่ได้ผลมากเพราะอันดับแรกจริงๆที่เด็กจะเชื่อเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก การนี้ 2 อยากจะรู้จักคู่ครองในเรื่องคู่ครองรู้ อันดับแรกต้องมีความอดทนมีความมั่นคงในกิจการที่เราจะเพิ่งทําโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเรียนเธอก็ถามว่าปีนี้จะสอบได้มั้ยก็เลยบอกว่าหลวงพ่อมีมีวิธีการมีความรู้เขาได้สอบได้ได้ทุกคนเธอก็ถามว่าทํายังไงมีคาถามั้ยเพรง แล้วว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอ คืนวันอาทิตย์อย่าเที่ยวต่างๆก็ๆมาเด็กๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก ปกติแล้วได้ไป 50% เสร็จๆส่วนใหญ่จะตกมากในเมื่อ ที่นั่นเป็นพุทธศาสนาแนะนําเด็กให้มีความ 100% เต็มไม่มีใครตกเลยครูตกใจที่สงสัยว่าจะเป็นไสยศาสตร์แต่ที่ สำหรับพ่อแม่ของเด็กก็ทำบุญที่ ตามเพลต้องทําอาหารกิน 2-3 วันก็คิดว่าเรามาอยู่กับท่านเราก็ควรจะไปบิณฑบาตจะมา นั่งได้ใจพอสบายไม่เดินนําหน้าพระ 2 เถรตาม 2 เถร 4 เถร การครวญว่า 4 เถาะก็ไม่ 3 ให้ 6 เถาะ 6 เถาะก็ 6 เถาะแต่ว่าถ้าอะไรมันเกินอย่างนั่ง ก็บอกว่ามาสายเหนือบ้างที่เจ้าค้าก็เลยแบ่งกันไปไปสายใต้ 7 วันไปสายเหนือ 7 วันทั้งแต่ละสายก็ล้น แล้วก็ยังต้องหิ้วถ้วยพิเศษมาอีกที่เกินจะ <c oughs> การ พอไปไปเพื่อนทาง มีสนักฟู้นใหญ่ต่อมาเวลาไปบิณฑบาตข้าวก็ดีไอ้ปีนั้นก็แปลกน้ําท่วมข้าวเสียหาย ข้าวในทุ่งนาเสียหมดเค้าใส่บาดเหมือนกันแต่น้อยเจ้าทั้งก็ฉันเวลาเดียวที่เด็กก็กินเวลาเดียวเจ้าสนรรคก็ต้องอดที 2 ก็บอกว่าจะไปใส่ข้าวก็บอกบิณฑบาตทุกวันมันไม่ได้ถึงครึ่ง ทุกบ้านวิ่งเงินวายหมดตุงหน้ามาแล้วรุหน้ามาแล้วต่างคนต่างใส่บาดบาตรสีลูกก็เต็มกระมังที่เตรียมไป แต่ว่าคราวนี้เมื่อได้เข้ามาแล้วให้เข้าเปล่ากินไม่ ธรรมอัปมาโนคุณพระธรรมหาประมาณไม่ได้สังฆอัปมาโนคุณพระสงฆ์หาประมาณไม่ได้เพราะก่อนจะไปใช้อิริพิโสภควาตามเดิมบทนี้น่ะใช้กันยัน แต่ก็เป็นที่น่าแปลกบรรดาทั้งผู้บริษัชขณะที่ขณะนั้น เพราะอะไรเพราะไม่มีข้าวจะกิน <c oughs> นี่ว่าจะน่ามีเจ้าคุณภาวนาท่านเป็นหัวหน้าวัดแต่ <c oughs> คนเคยแบกไม้ซีกแล้วต่อมาก็แบก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 แม่ก็ดูให้ตามที่กระแจะเพิ่งดูได้แต่ว่าทุกคนก็บอกว่าตรงตามความเป็นจริงดูก็ให้ดูดูอะไรทราบมั้ยไม่ได้ลงเลขใครให้ดูขอแหมมือขวาบ้างแหมมือซ้ายบ้างดูหน้านิดหน่อยบ้างดูพระสงฆ์เนี่ยดู เส้นไหนเป็นยังไงเส้นไหนเป็นยังไงก็ถามออก ต่อมาก็ชวนกันก็มีคนมาทําบุญมากในที่สุดเรื่องของการมีคดีระหว่างพระโควิชานยชัยคุณแต่ว่าเป็น แต่ถือว่าได้ช่วยสร้างโรงเรียนปริญญาธรรมที่นั่นดีหลังหนึ่งเพราะจริงไม่ได้สร้างช่วยกู้หน้าแท้นี่เค้าจะรื้อโรงเรียนไปให้โรงเรียนมันทรงตัวอยู่อยู่ตั้งจนทั่งในปัจจุบันนี้ตอนนี้หลายปีแล้วไม่ได้ไปไม่ทราบว่าสภาพเป็นยังไงหลัง ก็บอกกับท่านพระครูวิชาญในคนว่าขอ นะบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านโอกาสที่จะท่านมีความต้องการจะหาพระสอนกรรมฐานเมื่อ 2508 ต้องการ พระสกลว่ายังไงทรง มาสอนเป็นสอนเป็นการสอนเต็มกําลังปีนั้นคนที่ฝึกก็ดีจริงๆสอนเต็มกําลัง แต่เมื่ออยู่ได้ไม่นานนักประมาณปีเสร็จๆก็ปรากฏว่าหลวง เพราะวัดนี้ตั้งมา 30 ปีแล้ว 2332 หลวงพ่อใหญ่มาปักปลอต 2, 2 ครั้ง ครั้งนี้ 3 ครั้งสุดท้ายต่อไปคุณจะไม่มีไม่มี